เราพยายามสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาให้เด่นชัดถ้าความรู้สึกพลังเพิ่ไปเราก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าพลังเพิ่ไปก็เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าเกียจคร้านในการสร้างความรู้สึกตรงนี้กำลังสติรูดตัวอยู่ปัจจุบันก็จะไม่ต่อเนื่องเราพยายามสร้างความรู้สึกรับรู้อยู่ปัจจุบันให้ต่อเนื่องเัื่อจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ฝึกผลให้เกิดความเคยชิน แม้ตั้งแต่การหายใจเข้าออกก็ให้หายใจเป็นธรรมชาติการที่หลวงพ่อบอกให้สูตรลมหายใจเข้าไปเจายาวลึกๆ ก, ก, ก, ก็เพื่อที่จะให้มีความรู้สึสัมผัสของลมหายใจได้รู้ได้เด่นชัดแล้วก็ผ่อนลมหายใจให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติทุกคนก็มีบุญทุกคนก็ปักใฝยในบุญทุกคนก็สร้างบา ร, รมีมาดีถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วก็ขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านชุบมีความรับผิดชอบผิดถูกชั่วดีรู้บาตรู้บุญรู้คุณรู้โทษแล้วก็มีความเฉิมละมีผมมีหานอาจจะมีมากมนากกีน้อยตางกันเราก็ต้องไปยากมาทำความเข้าใจกับชีวิตของเรา อย่าไปปิดกั้นตัวเรเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนมีเวลาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเจริญสติกันเดียวการที่ให้สร้างสติหรือว่าสร้างความรึกดูถ้ากำลังสติมีมากเราก็รู้จักเอาสติไปวิเคราะห์ไปพิจารณาจิตของเราไม่สงบเราก็รู้จักควบคุมจิตของตราเอง จิตของเราส่งออกไปข้างนอกส่งออกไปในลักษณะอย่างไรเป็นกุศลหรือว่าอากุศลเราควบคุมจิตของเราได้ระดับไหนระดับกลางระดับปลายหรือว่าระดับกําลังจะก่อตัวตนเองแล้วก็ลึกลงไปจีกมีความคิดสิ่งหนึ่งที่ผุดขึ้นมาซึ่งภาษาธรรมะท่านเรียกว่าขันธ์ห้าเขาก่อตัวอย่างไรจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรตรงจุดนี้และสัมผัส เวลาความคิดหรือว่าการนองคันห้าผุดขึ้นมาจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมเร็วไวมากทีเดียวจนเป็นสิ่งเดียวกันรวมเป็นตัวเดียวกันแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดแล้วก็ทําตามความคิดทั้งที่คันห้าก็ามาปรุงแต่งจิตตลอดเวลาเหมือนกับเชือกเส้นเดียวถ้าเราหมั่นวิเคราะห์หมัน่นสังเกตเอาเชือกเส้นนั้นมาจับแยกออกจากกันเราก็จะเห็นเป็นเกลียวของใครเกลียวของมันยก ถึงเรียกว่าขันพระพุทธองค์ท่านเรียกว่าขันหรือว่าอาการของขันท่าเรื่องอดีตก็เป็นอาการของสัญญาความคิดทุกชนิดก็เป็นกองสังขารตัววิญญาณของเรานั่นแหละที่เข้าไปรวมเป็นตัวสุดท้ายกายของเราเนี่ก็เป็นกองรูปวิญญาณของเราจะเข้าไปร่วมไปเสวยไปยินดีบางทีก็เป็นเรื่องทุกข์บั้งบางทีก็เป็นเรื่องสุขบ้าง อันนี้เราต้องมีความเพียรจริงๆเราถึงจะรู้ตรงนี้ถ้าไม่มีความเพียรก็ยากที่จะเข้าใจจุกแต่การสร้างอา น, นิสงส์สร้างธระสร้างบุารมีแล้วก็พยายามสร้างไปเรื่อยๆแต่เราวันตื่นขึ้นมาเราได้สำรวจเราแล้วโรยอย่างแม้ตั้งแต่วันนี้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ากิจของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเรามีความรู้ึกตัวที่่อเนื่องกันแล้วโดยอย่าง เหตุการณ์จากข้างนอกมาทำให้จิตของเราเกิดจิตของเราส่งออกไปเป็นกุศลหรือว่าอากุศลลึกลงไปเรากำลังคิดอร่อยเราต้องพยายามให้เห็นรู้ด้วยเห็นด้วยตามทําความเข้าใจได้ด้วยทุกคนก็มีศรัทธากันเต็มเปี่ยมถึงในน้อมกายเข้ามาวัดเข้ามาทาบุญเข้ามาให้ทานแต่ละวันก็อยากจะทําบุญในเข้ามาวัดก็ได้มาทำบุญถาวายสังฆทานกัน ถวายทานกับข้าวกับปลาอาหารแด่พระคุณเจ้าแดดผู้แม่จีและทุกคนนั่นแหละก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญพวกเราได้มีโอกาสได้สร้างบุญในตลอดเวลาทีนี้เราก็ได้ทําบุญให้กับตัวเราทําบุญให้กับพี่ทําบุญให้กับน้องทําบุญให้กับพ่อกับแม่กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันลึกลงไปก็รู้จักให้อภัยจะทานอโหสิกรรมหมองโลกในทางที่ดีคิดดี ภาระหน้าที่การงานของเราเราก็ทําอยู่ปัจจุบันให้ดีขยันมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญาเราไม่ได้ทําด้วยความทะเยอทยานอยากของอํานาจของกิเลสเราต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจเราไม่เข้าใจเราถึงเแสวงหาแนวทางเพื่อที่จะหาทางหลุดพน้นตามความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์ท่านในค้นพบแล้วก็ อ, อกมาเปิดเผยให้สัตว์โลกแต่ประพฤติปฏิบัติตาม สัมพันธ์เรื่องการดับทุกข์เรื่องอัตตาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาธรรมอัตตาเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรอ น, นิจจังทุกขังอันัตตาในข้าในความแนรอารมณ์หรือว่ารู้ในกองต่ารของตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รู้แต่ไม่เที่ยงดังนั้นมีการเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่สภาพร่างกายของเราก็มีการเสื่อมอยู่ตลอดเวลา เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาเปลี่ยนแปลงอยู่ถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาก็จะได้ทําบุญใจพระสงฆ์พระคุณญาตหลายตําบลก็จะมาร่วมลงสังคกรรมสามาัคคีกันอยู่ที่วัดของพวกเรามาที่นี่ก็เปรียบเสมือนกับบ้านของเรามาถึงบ้านของเราให้ตัดความกังวลให้คลายความกังวลออกไปท่านถึงบอกว่า ทำบ้านให้เป็นว the ัดทำวัดให้เป็นวัดทำกายให้เป็นวัดทำจิตของเราให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระอยู่บ่อยทำกายของเราให้เป็นบุญทำวาจาของเราให้เป็นบุญทำใจของเราให้เป็นบุญอยู่ที่ไหนเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลาไม่ว่าอยู่กลางรูกนั้งกลางตลาดกลางที่ทำการทำงานอยู่กลางไร่กลางนาจิตของเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลาเพราะว่าใจของเราเป็นบุญเสแล้ว จะทำอะไรก็เป็นปุลมีัแต่ประโยชน์ประโยชน์ภายนอกประโยชน์ภายในนี่เลยถึงไม่ได้เกิดมาเสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะว่าโอกาสมีมากที่สุดเลยทีเดียวให้พยายามพากาพันค้นคว้าพากันทําความเข้าใจไม่ว่าพระวิโยบปชีให้พากันขยันมั่นเพียรมีอะไรก็ค่อยพูดคอยจาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อะไรติดขัดตรงไหนเราก็พยายามช่วยกันปพยุงกันไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วเด่ไวทั้งงานภายนอกเราก็มีโอกาสได้ทําร่วมกันงานภายในงานชาละจิตใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเราต้องพยายามทับชาละจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแม้ตแต่กิเลสเล็กๆนน้อยความอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาความอิจฉาดิสย า, ตายกต่างๆความเห็นแก่ตัว ความเจ็บคลาดเราก็ท่องพยายามกำจัดออกไปให้หมดเรามาอาศัยอยู่ร่วมกันมีบุญมีวาสนามีบุญร่วมกันมีอานิสงส์ร่วมกันมีวิบากร่วมกันอยู่ใกล้อยู่ไกลถึงได้มาอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่เคยสร้างบุญมาร่วมกันก็ยากที่จะได้มาอยู่ร่วมกันอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่น้อยคนก็มีความสุขถ้าต่างคนมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบ า, าก็เหมือนกับจะไม่มีนี่แหลยวัดเรายิ่งต่อไปข้างหน้ายากเย็นเพรายิ่งจะเข้ามาเยอะทั้งลูกเด็กเล็กแดนทั้งผู้หลักผู้ใจแต่ละวันแต่ละวันก็จะพากันเข้ามาเยอะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมากราบไหว้องค์หลวงปู่ใจซึ่งพวกเราได้พากันสร้างเอาไวา้นี่เลย อา น, นิสงส์อำนาจแห่งบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลญาติโยมก็เข้ามามาเพื่อที่จะตักตวงบุญกุศลมาเพื่อที่จะสร้างบงุญสร้างกุศลให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับชนรวมพวกเรามีโอกาสมากเราพยายามทำสถานที่ของเราให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ให้เป็นอา น, นิสงส์ใหญ่ใครไปใครมาก็จะได้มีตั้งแต่ความสุขความร่มความเย็ยนกันเราก็ภูมิใจทุกคนก็ภูมิใจ หลวงพ่อก็ภูมิใจ ท, ทุกคนจะได้ช่วยกันพยายามบนะรรณาพยายามเดินให้ถึงฝั่งกัน